ปิงคียะมานวะปัญหานิเทศว่าด้วยปัญหาของปิงคียะมานกท่านปิงคียะทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ชาราภาพแล้วไม่มีกําลังผิวพรรณไม่ผุดพองในตาไม่แจ่มใสหูฟังไม่ชัดขอข้าพระองค์อย่าได้เป็นคนหลงเสียหายในระหว่างนี้เลยขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมที่เป็นเครื่องละชาติและชาราในโลกนี้ ซึ่งค่าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้คําว่าข้าพระองค์ชาราภาพแล้วในคําว่าข้าพระองค์ชาราภาพแล้วไม่มีกําลังผิวพรรณไม่ผุดพองอธิบายว่าค่าพระองค์ชาราภาพแล้วคือสูงอายุเป็นผู้เฒ่าล่วงการมามากผ่านวัยมามากมีอายุได้ร้อยยี่สิบปีนับแต่เกิดคําว่าไม่มีกาลังได้แก่ อ่อนกำลังมีกำลังน้อยมีรยเรี่ยวแรงน้อยคำว่าผิวพรรณไม่ผุดผ่องได้แก่ผิวพรรณหมดงามเคอผิวพรรณปราศจากความงามผิวพรรณที่เคยงามหมดไปแล้วรัศมีแห่งผิวพรรณอัน ง, งดงามแต่ก่อนหายไปแล้วปรากฏอยู่แต่โทษรวมความว่าค่าพระองค์ชาราภาพแล้วไม่มีกำลังผิวพรรณไม่ผุดผ่อง คำว่าดังนี้ในคำว่าท่านปิงคยียะทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิคำว่าท่านเป็นคำกล่าวด้วยความรักคำว่าปิงคียะเป็นชื่อของพรามนั้นชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าท่านปิงคยียะทูลถามดังนี้คำว่าในตาไม่แจ่มใสหูฟังไม่ชัดอธิบายว่าในตาไม่แจ่มใสคือมืดมัว ฟ้าฟังไม่สดใสข้าพระองค์มองเห็นรูปไม่ชัดด้วยตาเช่นนี้รวมความว่าในตาไม่แจ่มใสคําว่าหูฟังไม่ชัดอธิบายว่าโสตประสาทไม่แจ่มใสคือหูตึงหูหนักไม่สดใสข้าพระองค์ฟังเสียงไม่ชัดด้วยโสตประสาทเช่นนั้นรวมความว่าในตาไม่แจ่มใสหูฟังไม่ชัด คำว่าขอข้าพระองค์อย่าเสียหายในคำว่าขอข้าพระองค์อย่าได้เป็นคนหลงเสียหายในระหว่างนี้เลยอธิบายว่าข้าพระองค์อย่าสูญเสียข้าพระองค์อย่าเสื่อมเสียข้าพระองค์อย่าเสียหายคำว่าเป็นคนหลงได้แก่เป็นคนหลงคือไปตามอวิชชาไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาแจ่มกระจ่างมีปัญญาทึบ คำว่าในระหว่างอธิบายว่าข้าพระองค์ไม่รู้ไม่บรรลุไม่ทราบไม่ได้ไม่ได้สัมผัสไม่ได้ทำให้แจ้งธรรมทิฏฐิปฏิปทามรรคของพระองค์แล้วพึงทำการรกุริยาเสียในระหว่างรวมความว่าขอข้าพระองค์อย่าได้เป็นคนหลงเสียหายในระหว่างนี้เลยคาว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมในคำว่า ขอพระองค์โปรดตรัสบอกทำซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้อธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกคือแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศพรหมจันทร์ที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางมีความงามในที่สุดพร้อมทางอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนสติปฐานสี่สัมมาปทานสี่ อิทธิบาท4หิน4ีห้าภะละห้าพ่ชงเจ็ดอริยมรรตมีองค์8ปดนิพพานและปฏิปทาเครื่องดำเนินไปสู่นิพพานรวมความว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมคำว่าซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้ได้แก่ซึ่งข้าพระองค์พึงรู้เฝือพึงรู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดบรรลุ ถูกต้องทำให้แจ้งรวมความว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกทมซึ่งพราพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้คำว่าที่เป็นเครื่องละชาติและชราในโลกนี้อธิบายว่าที่เป็นเครื่องละคือเป็นเครื่องเข้าไปสงบเป็นเครื่องสลัดทิ้งเป็นเครื่องระงรับชาติชราและมรณะคืออมตะนิพพานในโลกนี้เองรวมความว่า ที่เป็นเครื่องละชาติและชาาในโลกนี้ด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงปราบทูลว่าข้าพระองค์ชาาภาพแล้วไม่มีกำลังผิวพรรณไม่ผุดพองในตาไม่แจม่มใสหูฟังไม่ชัดขอข้าพระองค์อย่าได้เป็นคนหลงเสียหายในระหวังนี้เลยขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมที่เป็นเครื่องละชาติและชาาในโลกนี้ซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้ ผูมีพระภาคตรัสตอบว่าปิงคียะชนทั้งหลายเห็นชนอื่นๆเดือดร้อนอยู่เพราะรูปทั้งหลายแล้วยังประมาทเจ็บป่วยเพราะรูปทั้งหลายปิงคียะเพราะฉะนั้นเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทและรูปเสียให้ได้เพื่อจะไม่เกิดอีกต่อไปว่าด้วยวิธีการลงโทษคําว่าเพราะรูปทั้งหลายในคาว่า เห็นชนอื่นๆเดือดร้อนอยู่เพราะรูปทั้งหลายได้แก่มหาพูทธรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาพูทธรูปสี่อธิบายว่าเราสัตว์พากันลำบากเดือดร้อนคือยากลำบากถูกเขาฆ่าฟันเพราะรูปเป็นเหตุเพราะรูปเป็นปัจจัยเพราะรูปเป็นการพระราชาทรงรับสั่งให้ลงอาญาด้วยประการต่างๆคือให้เคี่ยนด้วยแท้บ้างให้เคี่ยนด้วยหวายบ้าง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 ถลกหนังตั้งแต่คอถึงข้อเท้าให้ลุกเดินเหยียบหนังจนลม้มลงบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงบั้นเอวทำให้มองดูเหมือนนุ่งผ้าคากรองบ้างสวมปลอกเหล็กที่ข้อศอกและเขา่าแล้วเสียบลาทั้งห้าทิศเอาไฟเผาบ้างใช้เด็ดเกี่ยวหนังเนื้อเอ็นออกมาบ้างเชื้อแนวออกเป็นแว่นๆเหมือนเหรียญกษาบ้างเชืออหนังเนื้อเอ็นออก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 เคยยากลำบากถูกเขาฆ่าฟันเพราะรูปเป็นเหตุเพราะรูปเป็นปัจจัยเพราะรูปเป็นการอย่างนี้ชนทั้งหลายเห็นคือแลเห็นเทียบเคียงพิจารณาทําให้กระจางทําให้แจ่มแจ้งเหล่าสัตว์ผู้ลำบากเดือดร้อนคือยากลำบากถูกเขาฆ่าฟันอย่างนี้รวมความว่าเห็นชนอื่นๆเดือดร้อนอยู่เพราะรูปทั้งหลายคําว่าปิงเคียะ ในคำว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปิงคียะเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียบพระมณ์นั้นโดยชื่อคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวด้วยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจกาบัญญัตรรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปิงคียะคำว่าเจ็บปวดในคาว่า ชนทั้งหลายยังประมาทเจ็บปวดเพราะรูปทั้งหลายอธิบายว่าย่อมเจ็บปวดคือดิ้นรนกระสับกระสายเดือดร้อนเจ็บป่วยทุกกายทุกใจคือย่อมเจ็บปวดดิด้นรนกระสับกระสายเดือดร้อนเจ็บป่วยทุกใจเป็นโรคตาได้แก่เจ็บปวดดิ้นรนกระสับกระสายเดือดร้อนเจ็บป่วยทุกใจด้วยโรคหูด้วยโรคกาย ด้วยสัมผัสแห่งเหลือยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานรวมความว่าเจ็บปวดเพราะรูปทั้งหลายอีกในหนึ่งชนทั้งหลายเจ็บปวดติ่นรนกระสับกระสายเดือดร้อนเจ็บป่วยทุกข์ใจเพราะจักษุเสื่อมไปเสียไปละไปแปรผันไปหายไปอันตรธานไปเพราะโสตเพราะคานะเพราะชิวหาเพราะกายเพราะรูป เพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสเพราะโหตภะะเพราะตระกูลเพราะคณะเพราะอาวาสเพราะลาบเพราะยศเพราะสรรเสริญเพราะสุขเพราะจีวรเพราะบินทบาตเพราะเสนาสนะเพราะคีฬานปัจจัยเพศสาบริขารเสื่อมไปเสียไปละไปแปรผันไปหายไปอันตรธานไป คำว่าชนทั้งหลายได้แก่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรครหัตบรรปะชิตเทวดาและมนุษย์ว่าด้วยความประมาทคำว่ายังประมาทอธิบายว่าขอกล่าวถึงความประมาทความปล่อยจิตไปหรือการเพิ่มพูนความปล่อยจิตไปในกลามคุณห้าด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรือการทําโดยไม่เคารพ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 นี้ตรัสเรียกว่าความประมาทชนทั้งหลายผู้ประรรกอบด้วยความประมาทนี้ชื่อว่าผู้ประมาทรวมความว่าชนทั้งหลายยังประมาทเจ็บปวดเพราะรูปทั้งหลายคำว่าเพราะฉะนั้นในคำว่าปิงคียะเพราะฉะนั้นเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทอธิบายว่าเพราะฉะนั้นคือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะต้นเหตุนั้น เธอเห็นโทษในรูปอย่างนี้อยู่รวมความว่าปิงคียะเพราะฉะนั้นเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทคำว่าจงเป็นผู้ไม่ประมาทอธิบายว่าเธอจงมีปกติทำโดยเครารพทำติดต่อชื่อว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายรวมความว่าปิงคียะเพราะฉะนั้นเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทคำว่ารูปในคาว่า ละรูปเสียให้ได้เพื่อจะไม่เกิดอีกต่อไปได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่คำว่าละรูปเสียให้ได้อธิบายว่าละรูปคือละทิ้งรูปละรูปให้หมดทําให้รูปหมดสิ้นไปให้รูปถึงความไม่มีอีกคําว่าเพื่อจะไม่เกิดอีกต่อไปอธิบายว่า รูปของเธอพึงดับเสียในภพนี้แหละฉันใดปฏิสนธิไม่พึงบังเกิดในกามาธาตุรูปธาตุหรืออรูปธาตุกามภพรูปภพหรืออรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพหรือเนวสัญญานาสัญญาภพเอกะโวโการภพจตุโวโการภพหรือปัญจะโวคโารภพคติอุบัติปฏิสนธิภพ สงสารหรือวัตตะต่อไปได้แก่ไม่พึงเกิดไม่พึงเกิดขึ้นไม่พึงบังเกิดไม่พึงบังเกิดขึ้นเพื่อพึงดับพึงเข้าไปสงบพึงถึงความตั้งอยู่ไม่ได้พึงระงับไปในภพนี้เองฉันนั้นรวมความว่าละรูปเสียให้ได้เพื่อจะไม่เกิดอีกต่อไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ชนทั้งหลายเห็นชนอื่นๆเดือดร้อนอยู่เพราะรูปทั้งหลายแล้วยังประมาทเจ็บปวดเพราะรูปทั้งหลายเป็นคียยะเพราะฉะนั้นเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทและรูปสีให้ได้เพื่อจะไม่เกิดอีกต่อไป ทิศใหญ่สี่ทิศน้อยสี่ทิศเบื้องบนหนึ่งทิศเบื้องล่างหนึ่งเหล่านี้รวมเป็นสิบสิ่งใดๆดในโลกที่พระองค์ไม่ทรงเห็นไม่ทรงได้ยินไม่ทรงทราบหรือไม่ทรงรู้แจ้งมิได้มีเลยขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมที่เป็นเครื่องละชาติและชราในโลกนี้ซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้คำว่าทิศใหญ่สี่ ทิศน้อยสี่ทิศเบื้องบนหนึ่งทิศเบื้องล่างหนึ่งเหล่านี้รวมเป็นสิบได้แก่ทิศทั้งสิบคาว่าสิ่งใดๆในโลกที่พระองค์ไม่ทรงเห็นไม่ทรงได้ยินไม่ทรงทราบหรือไม่ทรงรู้แจ้งมิได้มีเลยอธิบายว่าสิ่งไร่ๆคือประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ในภพปัจจุบันหรือประโยชน์ในภพหน้า ประโยชน์ตื้นหรือประโยชน์ลึกประโยชน์ลี้ลับหรือประโยชน์ปิดบังประโยชน์ที่ควรแนะนาหรือประโยชน์ที่แนะนาแล้วประโยชน์ที่ไม่มีโทษหรือประโยชน์ที่ไม่มีกิเลสประโยชน์ที่ผ่องแผ้วหรือประโยชน์อย่างยิ่งที่พระองค์ไม่ทรงเห็นไม่ทรงได้ยินไม่ทรงทราบหรือไม่ทรงรู้แจ้งไม่มีเพือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้รวมความว่า สิใดในโลกที่พระองค์ไม่ทรงเห็นไม่ทรงได้ยินไม่ทรงทราบหรือไม่ทรงรู้แจ้งมิได้มีเลยคําว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกทำซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้อธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกคือแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจําแนกทําให้ง่ายประกาศธรรมที่มีความงามในเบื้องต้น และปฏิปทาเครื่องดําเนินไปสู่นิพพานคําว่าซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้ได้แก่ซึ่งข้าพระองค์พึงรู้ได้พึงรู้แจ่มแจ้งพึงรู้เฉพาะพึงแพงตลอดพึงบรรลุพึงถูกต้องพึงทําให้แจ้งได้รวมความว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกทำซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้คําว่าที่เป็นเครื่องละชาติและชราในโลกนี้ อธิบายว่าที่อันเป็นเครื่องละคือเป็นเครื่องเข้าไปสงบเป็นเครื่องสลัดทิ้งเป็นเครื่องระงับชาติชราและมรณะคืออมตะนิพพานในโลกนี้รวมความว่าที่เป็นเครื่องละชาติและชาาในโลกนี้ด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าทิศใหญ่สี่ทิศน้อยสี่ทิศเบื้องบนหนึ่งทิศเบื้องแรกหนึ่งเหล่านี้รวมเป็นสิบ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 ถู้่มีประภาคตระตอบว่าปิงคียะเธอจงเพ่งพิจารณาหมู่มนุษย์ผู้ถูกตันหาครอบงำจิตเกิดความเร่าร้อนถูกชราครอบงำแล้วปิงคียะเพราะฉะนั้นเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทและตันหาเสียให้ได้เพื่อจะไม่เกิดอีกต่อไปคําว่าเธอจงเพ่งพิจารณาหมู่มนุษย์ผู้ถูกตันหาครอบงำจิตอธิบายว่า คำว่าตันหาได้แก่รูปตันหาสัทธตันหาพันธตันหารสตันหาโพธะภะตันหาธรรมะตันหาคำว่าผู้ถูกตันหาครอบงำจิตได้แก่ผู้ถูกตันหาครอบงำจิตเพอผู้ไปตามตันหาผู้ไปตามอำนาจตันหาผู้สัานไปตามตันหาผู้จมอยู่ในตันหาผู้ถูกตันหาครอบงำ มีจิตถูกตันหายึดครองคำว่าหมู่มนุษย์เป็นชื่อรียสัตว์คำว่าเพ่งพิจารณาได้แก่พิจารณาคือแลเห็นมองดูเพ่งพินิษพิจารณาดูรวมความว่าเธอจงเพ่งพิจารณาหมู่มนุษย์ผู้ถูกตันหาครอบงำจิตคำว่าปิงคียะในคําว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปิงคียะ เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียบพรามนั้นโดยชื่อคาว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจิกาบัญญรยัิรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรตอบว่าปิงคียะคำว่าเกิดความเร่าร้อนในคำว่าเกิดความเร่าร้อนถูกชราครอบงำแล้วอธิบายว่า เกิดความเร่าร้อนเพราะชาติเกิดความเร่าร้อนเพราะชาลาเกิดความเร่าร้อนเพราะพยาธิเกิดความเร่าร้อนเพราะมรณะเกิดความเร่าร้อนเพราะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตเกิดความเร่าร้อนเพราะทุกข์เนื่องจากการเกิดในนรกเกิดความเร่าร้อนเพราะทุกข์เพอทิฐิวิบัติคือเกิดความจันไรเกิดอุปัททวาอันตราย เกิดอุปสรรครวมความว่าเกิดความเร่าร้อนคําว่าถูกชาราครอบงำแล้วเล่แก่ถูกชาราถูกต้องครอบงําคือกลุ่มรุมตามประกอบไปตามชาติชาราติดตามพญาทีครอบงํามรณะย่ำยีไม่มีที่ปกป้องไม่มีที่หลีกเล้นไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาใจรวมความว่าเกิดความเร่าร้อน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 เธอจงมีปกติทำโดยเครารพทำติดต่อชื่อว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายรวมความว่าปิงคียะเพราะฉะนั้นเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทคำว่าละตันหาเสียให้ได้เพื่อจะไม่เกิดอีกต่อไปอธิบายว่าคำว่าตันหาได้แก่รูปตันหาสัทธตันหาคันทตันหารสะตันหา โธพธะตันหาธรรมตันหาคำว่าละตันหาเสียให้ได้อธิบายว่าละตันหาคือละทิ้งตันหาละตันหาให้หมดทำตันหาให้หมดสิ้นไปทำให้ตันหาถึงความไม่มีอีกคำว่าเพื่อจะไม่เปิดอีกต่อไปอธิบายว่ารูปของเธอพึงดับในภพนี้แหละฉันใด ปฏิสนธิพบไม่พึงบังเกิดอีกเนื้อกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกามพบรูปพบอรูปพบสัญญาพบอาศัญญาพบเนวสัญญานาสัญญาพบเอกวัวการพบเจตุโวการพบปัญจโวการพบคติอุบัติปฏิสนธิพบสงสารหรือวัตตะต่อไปได้แก่ไม่พึงเกิด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 การอบรมบุญญาบารมีร่วมกันมากับพราหมณ์และพราหมณ์นั้นก็ได้เกิดธรรมจักสุไร้ทุลีปราศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วน ม, มีความดับไปเป็นธรรมดาหนังเสือชดาผ้าคากรองไม้เท้าและกระจันน้ําผมและหนวดของท่านก็หายไปพร้อมกับการได้ธรรมจักสุท่านได้เป็นพิษุ มีศีระโล้นนุน่งห่มผ้ากาสาวะทรงสังฆาติบาทและจีวรเพื่อการปฏิบัติเอื้อประโยชน์จึงประคองอัญชลีนั่งลงนมัสการพระผู้มีพระภาคโดยประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกปิงขิยะมาณวะปัญหานิเทศที่สิบหจบ ปารายนตุติคาถานิเทศว่าด้วยการสุรุดีธรรมเป็นเหตุให้ถึงฟังพระธรรมสังฆ า, ากาจารย์เมื่อจะสรรเสริญพระธรรมเทศนานี้จึงได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคถานี้แล้วเมื่อประทับอยู่ณปาศานกะเจดีแคว้นมคตได้ทรงรับอาราธนากราบทูลหลายครั้งจากพรามสิบหกคนผู้เป็นศิษย์ใกล้ชิด ได้ทรงพยากรปัญหาแล้วคำว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสถานนี้แล้วได้แก่ได้ตรัสอารายานวักนี้แล้วคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจกาบัญญัิรวมความว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสถานนี้แล้วคำว่าเมื่อประทับอยู่แคว้นมคธ ได้แก่ในชนบทที่ชื่อว่ามคตคาว่าเมื่อประทับอยู่ได้แก่เมื่อประทับอยู่คือทรงเคลื่อนไหวทรงเป็นไปทรงเลี้ยงพระชนมาชีพทรงดำเนินไปทรงยังพระชนมาชีพให้ดำเนินไปคาว่าหน้าปาสาระเจดีได้แก่พุทธาตรัสเรียกว่าปาสากะเจดีรวมความว่า เมื่อประทับอยู่ณนะปาสานกะเจดีแควนมคตดคำว่าจากพรามสิบหกคนผู้เป็นศิษย์ใกล้ชิดได้แก่ปิงคียะพรามเป็นที่ปรารถนาประพฤติถูกใจเป็นคนรับใช้ของพรามภาวรีอธิบายว่าพรามเหล่านั้นมีสิบหกคนรวมทั้งปิงคียะมานพรวมความว่าจากพรามสิบหกคนผู้เป็นศิษย์ใกล้ชิดอย่างนี้บ้าง อีกนายหนึ่งพราหมสิบหคนเหล่านั้นพึงเป็นที่ปรารถนาประพฤติถูกพระไทยเป็นปริจาริสาของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าได้รวมความว่าจากพราหมสิบหคนผู้เป็นสิษใกล้คิดอย่างนี้บ้างคําว่าได้ทรงรับอาราธนาในคําว่าได้ทรงรับอาราธนากราบทูลหลายครั้งได้ทรงพยากรปัญหาแล้วได้แก่ได้ทรงรับอาราธนา คือรับอัญเชิญแล้วคาว่ากราบทูลหลายครั้งได้แก่กราบทูลหลายครั้งคือทูลถามแล้วถามอีกทูลขอแล้วขออีกทูลอัญเชิญแล้วอัญเชิญอีกทูลให้ทรงประกาศแล้วประกาศอีกคาว่าได้ทรงพยากรปัญหาแล้วอธิบายว่าได้ทรงพยากรณแล้วคือบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจาแนกทาให้ง่าย ประกาศปัญหาแล้วรวมความว่าได้ทรงรับอาราธนากราบทูลหลายครั้งได้ทรงพยากรปัญหาแล้วด้วยเหตุนั้นพระธรรมสังหากาจารย์จึงกล่าวไว้ดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถานี้แล้วเมื่อประทับอยู่ณปาสานะเพรเจดีแคว้นมคตได้ทรงรับอาราธนากราบทูลหลายครั้งจากพราหมณ์สิบหคนผู้เป็นศิ์ใกล้ชิด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 แห่งปัญหาแต่ละปัญหาอธิบายว่าถ้าแม้แห่งปัญหาของท่านอชิตะแต่ละปัญหาถ้าแม้แห่งปัญหาของท่านปุณณะแต่ละปัญหาถ้าแม้แห่งปัญหาของท่านเมตขูแต่ละปัญหาถ้าแม้แห่งปัญหาของท่านโทตกะแต่ละปัญหาถ้าแม้แห่งปัญหาของท่านอุปสีวะแต่ละปัญหาถ้าแม้แห่งปัญหาของท่านนันตกะแต่ละปัญหา ถ้าแม้แห่งปัญหาของท่านเหมกะแต่ละปัญหาถ้าแม้แห่ง IR um. ปัญหาของท่านโตทียะแต่ละปัญหาถ้าแม้แห่งปัญหาของท่านกัปปะแต่ละปัญหาถ้าแม้แห่งปัญหาของท่านชตุกันนิศแต่ละปัญหาถ้าแม้แห่งปัญหาของท่านพัทราวุธแต่ละปัญหาถ้าแม้แห่งปัญหาของท่านอุไทัยแต่ละปัญหา ถ้าแม้แห่งปัญหาของท่านโปศระแต่ละปัญหาถ้าแม้แห่งปัญหาของท่านโมคราชแต่ละปัญหาถ้าแม้แห่งปัญหาของท่านปิงเคียะแต่ละปัญหารวมความว่าถ้าแม้แห่งปัญหาแต่ละปัญหาคําว่ารู้ทั่วถึงอัดรู้ทั่วถึงธรรมอธิบายว่าปัญหานั้นนั่นแหละเป็นธรรมการวิสัชนาเป็นอัด บุคคลรู้เื่อทราบเทียบเคียงพิจรารณาทําให้กระจางทําให้แจ่มแจ้งอัดแล้วรวมความว่ารู้ทั่วถึงอัดคําว่ารู้ทั่วถึงธรรมได้แก่รู้เื่อทราบเทียบเคียงพิจรารณาทําให้กระจางทําให้แจ่มแจ้งธรรมแล้วรวมความว่ารู้ทั่วถึงธรรมคําว่าปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรมอธิบายว่า ปฏิบัติ้อปฏิบัติชอบการปฏิบัติเหมาะสมการปฏิบัติที่ไม่เป็นฆ่าศึกการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์การปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรมรวมความว่าปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรมคาว่าก็จะพึงถึงฝั่งแห่งชราและมรณะได้แน่นอนอธิบายว่าธรรมตานิพานตราเรียกว่าฝั่งแห่งชราและมรณะได้แก่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 ก็จะพึงถึงฝั่งแห่งชราและมรณะได้แน <ielle> ่นอนคำว่าทำเหล่านี้เป็นเหตุให้ถึงฝั่งอธิบายว่าทำเหล่านี้เป็นเหตุให้ถึงฝั่งคือให้บรรลุฝั่งให้บรรลุถึงฝั่งให้ตามบรรลุถึงฝั่งย่อมเป็นไปเพื่อข้ามชราและมรณะรวมความว่าทำเหล่านี้เป็นเหตุให้ถึงฝั่งคำว่าเพราะเหตุดังกล่าวมานี้นั้นในคาว่า เพราะเหตุดังกล่าวมานี้นั้นธรรมบรรยายนี้อธิบายว่าเพราะเหตุดังกล่าวมานี้นั้นคือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะต้นเหตุนั้นรวมความว่าเพราะเหตุดังกล่าวมานี้นั้นคําว่าธรรมบัรยายนี้ได้แก่ปารายณาวักนี้รวมความว่าเพราะเหตุดังกล่าวมนี้นั้นธรรมบัรยายนี้คําว่า จึงชื่อว่าปารายณนะอธิบายว่าอมตะนิพพานเรียกว่าฝั่งแห่งชราและมรณะได้แก่ทำเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นสัณหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทมักเรียกว่าอายณนะได้แก่สัมมาทิฐิละถึงสัมมาสมาธิ คำว่าจึงชื่อว่าได้แก่เป็นชื่อเป็นการ น, นับการขนานนามบัญญัติชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าจึงชื่อว่าปารายณนะเพราะเหตุนั้นพระธรรมสังคากราจารย์จึงกล่าวไว้ดังนี้ว่าถ้าแม้บุคคลรู้ทั่วถึงอะรู้ทั่วถึงธรรมแห่งปัญหาแต่ละปัญหาแล้วปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรม ก็จะพึงถึงฝั่งแห่งชราและมรณะได้แน่นอนเพราะทมเหล่านี้เป็นเหตุให้ถึงฝั่งเพราะเหตุดังกล่าวมานี้นั้นธรรมบัญญายนี้จึงชื่อว่าปารายณนะหนึ่งอาชิตะสองติสะเมตยะสามปุณ น, นกะสี 4. เมตะคูห้าโทตกะหอุปศีวะเจ็ดนันทะ 8. ปเหมกะ 9. โตเทยะสิบกลับปะสิบเอ็ดชตุกันนิผู้เป็นบัณฑิตสิบสองพัทราวุธสิบสามอุไทยสิบสี่โปสาละสิบห้าโมคราชผู้มีปัญญาสิบหกปิงคียะผู้เป็นมหาเรศีพระรามสิบหกคนนี้พากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเพียารพร้อมด้วยจรณนะผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เพื่อจะทูลถามปัญหาที่ลุ่มลึกจึงเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐคาว่านี้ในคําว่าพรามสิบหกคนนี้พากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้แก่พรามผู้ดําเนินไปสู่ฟังทั้งสิบหกคนว่าด้วยความหมายแห่งพุทธะคาว่าพระพุทธเจ้าได้แก่พระผู้มีพระภาคเป็นพระสยามภูไม่มีครูอาจารย์ ได้ตรัสรู้สัจจะในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนด้วยพระองค์เองทรงบรรลุความเป็นพระสัพพัญญูในสัจจะนั้นและความเป็นผู้ทรงชำนาญในภาร ะ, ะทั้งหลายคําว่าพระพุทธเจ้าอธิบายว่าชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะมีความหมายว่ายอย่างไรชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้สัจจะทั้งหลายแล้วชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะทรงทำหมู่สัตว์ให้ตรัสรู้ ชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นพระสัพพันย์อยู่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นผู้เห็นธรรมทั้งปวงชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นผู้รู้ธรรมที่ควรรู้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นผู้เบิกบานชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นพระขีนาศพชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นผู้ปราศจากอุปกิเลส ชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นผู้ปราศจากราคะโดยสิ้นเชิงชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระท <ns> ระงเป็นผู้ปราศจากโทสะโดยสิ้นเชิงชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นผู้ปราศจากโมหะโดยสิ้นเชิงชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นผู้ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระเสด็จถึงทางสายเอก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 มิใช่พระญาตและผู้ร่วมสายโลหิตทรงตั้งเหล่าสมณพราหมณ์มิได้ตั้งเหล่าเทวดามิได้ตั้งคำ ว, ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นวิโมกขันติกนามเป็นสัจจกาบัญญัติของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทั้งหลายเกิดขึ้นพร้อม ก, กับการทรงได้เฉพาะพระสัพพัญญุตยานที่โคนต้นโพรวมความว่าพระพุทธเจ้าคำ ว, ว่าพราหมสิบหกคนนี้ พากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอธิบายว่าพราหมเหล่านี้มาเข้าเฝ้าคือเข้าไปเฝ้าเข้าไปนั่งใกล้ทูลถามแล้วทูลสอบถามพระพุทธเจ้าแล้วคําว่าผู้ทรงเพีย่พร้อมด้วยเจรณนะผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อธิบายว่าความสําเร็จแห่งศีลและอาจาระเรียกว่าจรณนะศีลและสังวรอินทรีย์สังวร ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารความเป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่องเตือนอยู่เสมอสัตธรรมเจ็ 7, ชั้นสี่ชื่อว่าจรณะคำว่าผู้ทรงเพียบพร้อมด้วยจรณะได้แก่ผู้ทรงเพียบพร้อมด้วยจรณะคือมีจรณะประเสริฐสุดมีจรณะวิเศษสุดมีจรณะชั้นแนวหน้ามีจรณะสูงสุดมีจรณะยอดยิ่ยม รวมความว่าผู้ทรงเพียรพร้อมด้วยจรณะคำว่าผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อธิบายว่าผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้มีประภาสทรงแสวงหาคือค้นหาเสาะหาสีละขันใหญ่จึงชื่อว่าผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อีกในหนึ่งพระผู้มีประภาคอันเหล่าสัตว์ผู้ไม่เหสักแสวงหาค้นหาเาะหาว่า พ, พ, <mania> พระรพุทธเจ้าประทรับอยู่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหนพระผู้ทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเทพประทับอยู่ที่ไหนพระผู้ทรงองค์อาจกว่านรชนประทับอยู่ที่ไหนจึงชื่อว่าผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่รวมความว่าผู้ทรงเพียรพร้อมด้วยเจรณนะผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คําว่าเมื่อจะทูลถามในคําว่าเมื่อจะทูลถามปัญหาที่ลุ่มลึก อธิบายว่าเมื่อทูลถามเือทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศคําว่าปัญหาที่ลุ่มลึกได้แก่ปัญหาอันลึกซึง้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากละเอียดประณีตเข้าถึงไม่ได้ด้วยตักกะตรุ่มลึกบัณฑิตเท่านั้นที่พึงรู้ได้รวมความว่าปัญหาที่ลุ่มลึกคําว่าจึงเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าผู้ประเสรศิฐ อธิบายว่าคำว่าพระพุทธเจ้าได้แก่พระผู้มีพระภาคคำว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นสัจธรรบัญญัตคำว่าผู้ประเสริฐได้แก่ผู้เลิศผู้ประเสริฐคือวิเศษสุดหัวหน้าสูงสุดยอดเยี่ยมรวมความว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐคำว่าจึงเข้าไปใกล้ได้แก่จึงมาเข้าเฝ้าคือเข้าเฝ้า เข้าไปนั่งใกล้ทูลถามทูลสอบถามรวมความว่าจึงเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐด้วยเหตุนั้นพระธรรมสังฆ า, ากราจารย์จึงกล่าวไว้ดังนี้ว่าพราหมณ์สิบหกคนนี้พากันมาเฝ้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเพียรพร้อมด้วยจรณนะผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เพื่อจะทูลถามปัญหาที่ลุ่มลึกจึงเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ